กับกบี่โมงครพระอาจารย์บอกว่าพอหลังจากที่รับฟังคำตอนของพระอาจารย์แล้วก็ก็สามารถกลับบ้านได้ตามปัิยาใส่ยวาอย่างนี้นเลยแต่ก็จะอยู่จนถึงเที่ยง<ะ>กินข้าวเที่ยงก่อนที่เรามา ปฏิบัติธรรมนะเมื่อเมื่อ ว, า, วานกับเมื่อเช้ า, ชานะก็พูดในแง่ที่ว่ามันช่วยในการคลองตนมันช่วยในการดำเนินชีวิตเพราะว่าชีวเราเนี่ยมันมีอะไรกระทบเยอะมันมีต้องอย่างที่เราสอนมันทรรวัาชเช้านะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักทัดท่ากับสิ่งที่รัก ถ้าทาจากสิ่งที่รักก็มีตั้งแต่ทรัพย์สมบัติงานการคนรักตำแหน่งหน้าที่นะรวมทั้งการเลงาังชาประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เช่นความเจ็บป่วยความล้มเหลวคำต่อว่าดาทอหรือแม้แต่สิ่งเล็กเ ล, กเลก น, น้อยเช่น ก็ติดเคื่อนผิดนัดไอ้พวกนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้าการที่เรารู้จักครองตอนอย่างมีสติเนี่ยมันช่วยครานี้เนี่ยมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากคือการทํางานการทาําทงานเนี่ยและการทํางานนะหลายคนก็พบว่าทํางานแล้วไม่มีความสุข อันนี้เป็นปัญหาพวกเรามามทำงานแล้วไม่มีความสุข อ, อยากจะมีความสุ ข, ขการทํางานสิ่งสาคัญนะในการทำงานเนี่ยให้มีความสุขด้วยแล้วก็มีความสำเร็จ ด, ด้วยเนี่ยก็คือฉันทะฉันทะเป็นภาษาบุรีแปลว่าควา ม, วามชอบนะถ้าเราชอบในสิ่งที่เราทำในงานที่เราทำเนี่ย ความสุขมันมาได้ง่ายมันไม่ใช่การเรียนหนังสือนะเรียนหนังสือที่ถ้าเราเรียนด้วยความรักความชอบนะเรียนสนุกนะแล้วก็มันจะเกิดความขยันโดยไม่รู้ตัวนะเราเวลาเรียนที่มีความสุขไหมเรียนมีความสุขไหมเรียนอะไรที่มีความสุขนะ วิชาที่ชอบวิชาดนตรีนะวิชาดนตรีน่าสิเออนะวิชาอื่นไหมที่ไม่ใช่ศิปลปะราาักษาชอบนะเต้นนะวิชาอะไรที่เราชอบภาษาไทยมีภาษาจีนมั้ยวิทาศาสตร์ ม, ม, มีมั้งภาษาไทายนะเราองสังเกตดูาเราชอบวิชาไหนเนี่ยเราจะมีความสุขกับการเรียน แล้วเราจึงรู้สึกได้ซ้ําว่ามีการบ้านเยอะๆในวิชานั้นเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์เพราะถือว่ามันท้าทายคนเรานเนี่ยนะเจองานยากเนี่ยถ้าเรามองมันท้าทายเนี่ยเราไม่ทุกข์อะจะเป็นการเรียนเนี่ยเป็นการทําวิชาลิปพ์หรือลงเป็นการงานด้วยเราที่เราไม่ไม่ทุกข์เพราะเราชอบเรามองว่ามันเป็นการท้าทาย การทำงานก็เหมือนกันนะมันต้องมีฉันท่าคือความชอบแล้วถ้าชอบแล้วนะเหนื่อยก็ไม่บ่นจะกราบว่าทำงานนี้จะชอบก็ต้องเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของมันงานนี่ถ้าเราเห็นคุณค่านะไม่ใช่แค่ใจรักอย่างเดียวแต่ว่ามันอะไรคุณค่าด้วยเนี่ยมันทาให้เรารักชอบมันมากขึ้นเห็นคุณค่าว่างานเนี่ยนะ มันไม่ใช่แค่ทาให้เรามีเงินเดือนนะแต่ว่ามันทําให้เราได้แสดงความสามารถบางอย่างมันทำให้เราได้เจอเพื่อนมันทําให้เราได้ทําประโยชน์คนเราเนี่ยหากว่าไม่ได้ทำงานแม้จะมีเงินนะมีทอง มีข้าปล า, าหาเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขนะคนที่กเกษียณเนี่ยก็มีเงินบําเหน็จบํานาญนะแต่ถ้าเขาไม่ทํา ง, งานนะเกิดอะไรขึ้นลงมาตายเร็วตายเร็ ว, รวมันแปลกนะคนกะเกษียณเนี่ยนะเออไม่ต้องทําอะไรแล้วนั่งกินนอนกินก็ได้บําเหน็จบำนาญก็มีน่าจะมีความสุขอยู่ได้นานแต่บอกว่าตายเร็วคนพวกนี้เขาต้องมีงานทําเพราะว่าจะทําให้สื่มันมีชีวิตชีวา รู้สึกตัวมีคุณค่านะมีอาตมาเคยไปประเทศไต้หวันนะไปดูงานของมูลนิธิแห่งหนึ่งชื่อมูลนิธิฉือจี้คนไทยไปไปดูงานเป็นหมื่นแล้วนะเพราะว่าเขาทํากิจกรรมหลายอย่างชื่อว่ามูลนิธิเนี่ยแต่ว่ามีสมาชิกเนี่ยหนึ่งในสี่ของประเทศยนะี่สิบอร์ยี่ห้าเปอร์ซใหญ่กว่าธรรมกายเยอะธร ร, ธรรมการเนี่เราก็ใหญ่แล้วนะฉือจีนี่ใหญ่เยอะคือทั้งรวยทั้งมีสมาชิกเยอะ เขาตั้งโรงเรียนโรงพยาบาลนะแล้วก็หมหาวิทยาลัยสถานีทรทัศน์แล้วก็ที่มีเชี่ยงนึงคือสถานี ก, รรกาําจัดขยะรีไซเคลิลห้าพันแห่งทั่วประเทศอาตมาเคยไปสถานีนะมีแต่คนแก่นะอาซิมอาม่านะอากง นั่งยองๆบางถึงนั่งเก้าอี้แบบเนี้ยนั่งขีดกระดาษเพื่อเอามารีไซเคลิลพวกนี้นี่มีเงินนะพวกนี้เนี่ยเคยเป็นผู้จัดการเคยเป็นสถาปนิกเคยเป็นวิศวกรนะแต่ว่ากเกษียณละมีคนหนึ่งจะบอกผมเนี่ยนะคือขยะคืนชีพเราฟังก็ไม่เข้าใจหมือนเขาว่างไงแจ่บอกว่าตอนที่กเกษียณ น, น, นะนะ มันนั่งกินนอนกินวันวันไม่ทําอะไรดูแต่โทรทัศน์เบื่อไม่เหมือนคนแก่บ้านเราคนแก่บ้านเราเนี่ยมีหลานให้เลี้ยงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะว่าคนไม่ค่อยมีลูกกันสารกระบุงตะก้าคอเสือ้อนะแต่คนแก่ใต้วัดเนี่ยรวมทั้งในกรุงเทพเดี๋ยวนี้นะไม่มีอะไรทนะําะรู้สึกไม่มีคุณค่านะรู้สึกตัวเป็นขี้ยา พอมาทํางานเป็นลักษาสมัครคือจี้เนี่ยทําฟรีนะ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะแต่แกรู้สึกมีความสุขกลับมามีชีวิตชีวายึงบอกว่าผมเนี่ยคือพยรุษคืนชีพอันนี้มันแสดงเลยนะว่าคนเราเนี่ยเราไม่ได้ทํางานเพียงเพราะว่าต้องการเงินนะถึงแม้ไม่มีเงินคนก็อยากทําเพราะว่าทําให้ชีวิตมีคุณค่า ทำให้ช่วิมีความหมายเนะนี่ยเราต้องมองหเห็นตรงนี้นะว่างานเนี่ยมันมีนมคุณค่ายัางไงบ้างถ้าเรามองว่าโอ้โชคดีที่ฉันมีงานทํานะเพราะว่าไม่ใช่แค่มีเงินไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกนะแต่ว่ามันทําให้ฉันเนี่ยมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีความหมายมีตัวตนนะราสามัยนี้แล้วฉันมีตัวมีตนนะคุณค่าของงานอาจจะเกิดจากการที่เรารู้สึกว่างานที่เราทํามีประโยชน์ต่อส่วนรวม อาตมาชอบนิทานชอบเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องคนกอดอีกสามคนก่อดอีกใกล้ๆกันคนแรกเนี่ยทำไปสักพักก็หยุดกัแบบไปสูบบุหรี่สูบบุหรี่ก็สูบแบบช้าๆเอื่อยๆสูบเสร็จก็นั่งนิ่งสักรับแล้วค่อยเดินช้าๆมาทำ ง, งานคือพยายามที่จะอู้งานให้มม่สุด่ะ คนที่สองนี่ทํางานอ่ขันแข็งหน่อยนะแต่ทําไปดูนาฬิกาไปเพราะตอนนั้นสี่โมงแวันศุกร์ด้วยนะแล้วเพลิงบางทีบ่ายสองก็ดูนาฬิกาแล้ววันศุกร์บ่ายสามไปแล้วนี่คนที่สามนี่ทํานแขยงขันแข็งมากเลยเหงื่อนี่เต็มหลังเลยนะแต่กระฉับกระเฉงมากทํางานไม่หยุดเลยนาฬิกาก็ไปดูไปถามคนแรกว่าคุณทำอะไรเขาบอกผมก่ออิฐครับไปถามคนที่สองทำอะไรผมก่อกําแพง ไปถามคนที่สามคุณทำอะไรผมกำลังสร้างวัดครับต่อเครือในในสามคนนี้ใครทำงานและมีความสุขมากที่สุดอ่ะพ่ออะไรเพราะว่าเราทงานก เ, เวลาหืออะไรขอยากจะทำในสิ่งที่เขาอยากทำให้ได้ไม่ว่ามันมีคุณค่าคือสร้างวัดนะคนไทยเนี่ยนะสร้างวัดเนี่ยนะโหมันเป็นเป็นงานที่มีเกียรติ นะเป็นบุญเป็นการสื่อต่อศาสนานะในสามคนเนี่ยคนที่ทำงานได้ผลดีที่สุดคือใครนะคนที่สามเคนะที่สามเนี่ยเขาทงานไม่อู้ใช่ไหมถามว่าคนที่สามเหนื่อยไห ม, ไมเหนื่อยแต่ว่าเขามีความสุขสุขตรงไหนสุขใจสุขใจเพราะว่าได้ทำสิ่งที่มีค่าก็คือกำลังสร้างวัดกำลังทำบุญกำลังสร้างกุศลกำลังสื่อต่อศาสนา คนที่หนึ่งที่สองเนี่ยมองแคบแคบแค่ว่าก่ออิฐก่อกําแพงคนที่สองคนที่สาเนี่ยมองไกลสร้างวัดนะในงานที่เราทําเนี่ยนะไม่ว่าเราจะเป็นอยู่ตําแหน่ง ไ, ไหนเนี่ยนะถ้าเรามองไกลนะก็คือกําลังทําประโยชน์ให้กับไม่ใช่แค่ตาบล น, นะประเทศเลยเรากําลังทําให้คนมีความสุขนะแต่ถ้าเรามองว่านี่แค่ ทำแล้วมีเงินเดือนเนี่ยนะมันก็ไม่ต่างจากคนแรกคนที่สองช่างก่ออีกคนแรกคนที่สองเนี่ยก่ออีกเพียงเพื่อว่าจะได้มีเงินเดือนเพราะฉะนี้ทําไงจะอู้คนนึงก็พยายามอู้ให้มากที่สุดให้มันเสร็จไปวันๆหนเสร็จเร็วคนที่สองเนี่ยอยากแห้มันเสร็จเร็วเพราะว่าจะได้ไปเที่ยวแต่ที่ไม่อยากทําหรอกแต่ที่ทำเพราะอะไรเพราะต้องการเงินนะแต่คนที่สามเนี่ย เขาได้เงินก็จริงนะแต่ว่าสิ่งที่เขาภูมิใจมากกว่าคือเขาได้ทำประโยชน์กับศาสนานที่เราเนี่ยก็สามารถจะทำงานอย่างมีความสุขได้ถ้าเรามองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะมันเป็นการไม่ใช่แค่บำบัดทุกข์นะแต่ว่ามันเป็นการบำรุงสุขเป็นการสร้างความสุขให้คนในตาบล น, นะแล้วก็ช่วยทาให้ ส่งผลดีต่อประเทศชาติถ้าเรามองว่างานที่เราทำเนี่ยมันมีผลดีต่อประเทศชาติอย่างไบ้างเนี่ยเราจะทํางานอย่างมีความสุขไม่ว่าเราจะเป็นสมียนไม่ว่าอะไรเป็นพนักงานทำความสะอาดแล้วเนี่ยพยายามมองมองให้ไกลนะแล้วเราจะรู้สึกรักในงาน แล้วเราจะเห็นว่างานที่เราทำนี่มีคุณค่าหลายคนเนี่ยรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำไม่มีคุณค่าเพราะอะไรเพราะเงินเงินน้อยเพราะว่าเป็นงานที่ต้องใช้แรงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานจะมีคุณค่าหรือไม่นะมันอยู่ที่ว่าเราให้คุณค่ากับงานยางไร ถ้าเราใคุณค่ากับงานนั้นเนี่ยงานนั้นก็จะให้คุณค่ากับเรานคนที่มองว่างานไม่มีคุณค่าเนี่ยเป็นงานที่ไร้เกียรติเปเพราะเราไม่เห็นค่าของงานนั้ น, นมีหมอคนนึ่งนะแกเคยรับราชการตอนหลังก็ลา ง, งานพักใหญ่มาช่วยงานของพ่อพ่อนี่เป็น ทำบริษัทใหญ่เลยนะมีตึกสูงหลายชั้นข้างหน้าตึกนีก็เป็นลานจอดรถหมอคนี้ก็สังเกตว่ามีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นพนักงานคุมรถเข้าออกแกเห็นลุงคนนี้มาตั้งแต่เดนะ็กแล้ว30มสิกว่าปีแล้วมั้ง4ี่สิปีแล้ว แล้วแกก็เห็นลุงเนี่ยทำงานตาแหน่งเนี่ยเฉพาะตําแหน่งเนี่ยสิกว่าปีแล้วแต่แกสังเกตลุงนี่แกทํางาน ก, กระฉกะเฉงมากนะแล้วนะแกเวลาโบกรถเข้าอย่างแ ก, กบอกรถอย่างมีชีวิตชีวามากเลยนะคขยอนขยับตลอดเวลามีความสุขอใจแปกจําก็เลยจอดรถไปถามลุงทํางานตรงเนี้กี่ปีแล้วอ๋อคุณหมอสิกว่าปีแล้วลุงไม่เบื่อต้องสิบกว่าปีแล้วเนี่ยแกตอบว่างไงบอก คุณหมอจะเบื่อได้ไงผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาผมห้ามเนี่ยนะยกมือห้าเนยรถทุกคันต้องหยุดแม้แต่รถของคุณพ่อคืผู้จัด ก, การนะต่อเมื่อผมกวาดมือเข้าเนี่ยถึงจะเข้าได้ทุกคนทุกคันต้องเชื่อฟังผมหมดนะแต่ผลแกมีแค่เนี่ยแกมีความสุขกับงานเพราะว่าอะไรเพราะามังานทำทำให้แกสุขแ ก, ขแกมีคุณค่าแกเป็นคนสำคัญนะ บนตึกเนี่ยคุณหนึ่งสำคัญกว่าแต่ตรงลานจอดรถเนี่ยแกสำคัญที่สุดนะเจ้านายก็ต้องเชื่อฟังแกใช่ว่าถ้าแกสุดมีคุณค่าถามว่าเงินเดืนแกมากไมไม่มากถามว่าแกทำงานทั้งวันเนี่ยต้องตากแดดแยก็ตากแดดเหนื่อยไหมเหนื่อยกับคนที่อยู่ในห้องแอร์แต่แกมีความสุขแกมีความสุขเพราะแกรส่วนงานที่แกทำมีคุณค่า และที่แก้สูว่างานที่แะทามีคุณค่าเพราะว่านะแก้ซว่ามันให้ความหมายคุณค่ า, ากับตัวแกเองเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยนะงานงานทำงานจะมีความสุงเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าเป็นงานอะไรนะแต่มันอยู่ที่ว่าเราทำงานอย่างไรเรามองงานนั้นอย่างไรเป็นผู้จัดการเงินเดือนเยอะหรืออาจจะเป็นนายกอบตมีเงินเดือนเยอะใหญ่ที่สุด แต่ถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำไม่มีความหมายสู้เป็นนายกอบจไม่ได้เนี่ยอย่างนี้ก็เหี่ยวเลยนะหรือเป็นนายกอบจเนี่ยแต่รู้สึกว่างานทำไม่มีความหมายสู้อ่เป็นประหลัดจังหวัดไม่ได้เงี้ยถ้า ค, คิดแบบนี้นะเหี่ย <c> ว <oughs> นะเพราะรู้สึกรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำเนี่ยมันไม่มีคุณค่า <c oughs> และถ้าเราไม่ให้คุณค่ากับงานนะงานก็จะไม่ให้คุณค่ากับเราเราก็จะรู้สึกว่าต้อย แต่ถ้าให้คุณค่ากับงานน่าจะเป็นงานควบคุมจราจรงานปัดกวาดทําความสะอาดนะถ้าเราให้คุณค่ากับงานนั้นเนี่ยงานก็จะให้คุณค่ากับเราเราจะรู้สึกว่าเป็นคนสําคัญตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเีเกิดชันท่นะพอมีชันท่แล้วมีความสุขนะเดีย๋ยวนี้เนี่ยพวกเราคนจะไม่น้อยเนี่ยนะไป ไปไปวัดเอาไปวัดงานไปวัดการที่เดือนเดือนไปวัดการที่ตำแหน่งนะคนที่ทำงานข้างล่างเนี่ยก็เลยก็เลยไม่ค่อยมีความสุขส่วนเป็นเรื่องการมองเนี่ยมองไม่เป็นถ้ามองเป็นมันจะมีความสุขนะอย่างคุณลุงทีแ่แกก็มีความสุขเพราะแกมองเป็นนะเมื่อสมัย 6กสิบเจ็สิปีที่แล้วเนี่ยมีใ น, ม, ในมีนายรัฐมนตรีชื่อจอมพลปอนะวันหนึ่งจอมพลปอได้ได้ยินเสเมียคุยกันเสเมียนเนี่ยเ็าบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยโชคดีนะไม่เหมือนนายรัฐมนตนรีนยรัฐมนตรีนี่นะโชคไม่ดีหรอกจอมพลปอเลยเรียกเสเมียมาคุยทำไมพูดอย่างนั้น จะบอกว่าผมเป็นเสมียนนะมีโอกาสที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเรื่อยๆแต่นายกอ่ะตันละไตต่อไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> มีความหวังไงว่าแกทาการงานให้แกทำเนี่ยมีอนาคตคือไต่เต้าไปเรื่อยๆใช่ไมของนายกก่ตันละโอ้นายกนี่อึ้งเลยนะมองแบบนี้ดีเสมียนตรง น, นี้ เพราะนี่จะมาคิดว่าเนี่ยเราลองถามถามใจเราว่าเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยนะเราเชื่อมันมีคุณค่าตรงไหนบ้างยอย่าไปรู้สึกด้ยอยกับ ง, งานที่เราทำอย่างน้อยๆเนี่ยยังโชคดีที่เรามีงานทำนะเพราะว่าถ้าเราตกงานเนี่ยนะมันทุกข์กว่าเยอะอันนี้เมื่อเราทำงานแล้วเนี่ยนะก็ต้องทำให้มีความสุขนะ เวลาทำงานนะนี่ไม่เกี้อาจาพูดถึงแรงจูงใจว่าเรามีความรักในงานเราเห็นประโยชน์ของงานเวลาลเราลงมือทำเนี่ยถ้าเราวางจิตวางใจเป็นนะเราก็จะมีความสุขได้อาจารยพุทธช้าเนี่ยพูดว่าให้ใจอยู่กับปัจจุบันใจอยู่กับงานหลายคนมีความทุกข์นะอาจาดย์พไท่ช้าเนะเวลาทำงานก็นึกถึงลูกห่วงลูกห่วงพ่อ เวลากลับมาบ้านอยู่กับลูกก็นึกถึงงาน<ม>ใช่ไหมเวลาจะนอนนึกถึงงานนอนไม่หลับเวลาไปทำงานก็เลยม่วงนอน<ม>นะจริงๆนะถ้าเวลาทำงานใจอยู่กับงานเต็มร้อยเวลากลับมาที่บ้านใจอยู่กับลูกเต็มร้อยวางงานลงจะมีความสุขจะไม่เครียดนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย ใจเราเนี่ยมันไม่อยู่เป็นที่เป็นทางบางทีเราทํางานแต่เราก็นึกถึงไปเที่ยวห้างอยากไปเที่ยวห้างใช่ไหมแต่พอไปเที่ยวห้างก็ห่วงงานใช่ไหมแค่เอาใจอยู่กับงานเอาใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความสุขได้ง่ายอีกอันนึ่งที่ทำให้คนไม่มีความสุขเวลาทํางานนะ <c oughs> ก็คือว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะ เมื่อก็เราเดินทางนะถ้าเราเดินทางเนี่ยคิดว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไรจะถึงนะเครียดทําไมเราไม่สนใจสองข้างทางหว่าเออสองข้างทางมันสวยไหมใช่ไหมจะไปภูกระดึงนะแต่ว่าคิดแต่ว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไรจะถึงเนี่ยนะทั้งที่สองข้างทางก่อนจะไปถึงภูกระดึงเนี่ยนะมันมีอะไรสวยๆทำงานที everyday, thôi, ่ทัดเยอะนะต้องฉลาดนะในการมองเวลาทํางานเนี่ยมันจะเสร็จเมื่อไหรก็ช่างมัน ขอให้เราใจดีกว่าปัจจุบันแต่ถ้าเราวางแผนดีนะจะไม่มีปัญหาเช่นวันนี้เนี่ยเช่นงานจะต้องเสร็จภายในเวลาหนึ่งเดือนถ้าเรารู้จักแบ่งงานนะว่าเเดือนที่หนึ่งทำอะไรเดือนที่สองทำอะไรเดือนที่สามทำอะไรเดือนสี่สทําอะไรเดือนที่หนึ่งจันทร์ที่สุกทําอะไรนะวันจันทร์เช้าทําอะไรบ่ายทําอะไร เวลาเราอยู่เวลาทํา ง, งานบรรจันจตอนเช้าใจเราก็อยู่กับงานที่เรากะไว้ตอนเช้าตอนบ่ายเนี่ยเก็บไว้ก่อนพอนถึงตอนบ่ายเราก็มาสนใจว่าเออต้องทําให้ได้ตรงตามเป้าที่าวางแผนเอาไว้เดี๋ยวเพิ่งไปสนใจงานบราจงคารนะมันจะเบานะจะเคลียดน้อยลงมันมีนับปีนเขาเพ น, นึงนะเป็นฝรั่งนะแกปีนเขาสูงที่สุดในโลกมาแล้วทุกทวีด รวทั้งเอเวอเรสต์ด้วยเอเวอเรสต์ Everest นี่สูงมากนะประมาณกี่กิโเมตรแกกิโลเมตรจากกระดับน้ําทะเลประสบการณ์การปีนเขาในช่วงยี่สิบสามสิบปีแกบอกแกว่าทุกอย่างน่ากลัวกว่าคํามจริงเสมอเมื่อมองอหตุที่ไกลเวลาอยู่บนตีนเขาเนี่ยมองไปยอดเขาหูไกลมัที่ทําให้ท้อรู้สึกมันอนานเป็นเดือนกว่าจะถึงแกบอกววิธีปีนเขาที่ศิลปะ ก, การปีนเขาที่ดีที่สุด น, นะก็คือว่า สนใจพื้นที่ใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวอย่าไปสนใจยอดเขาแต่ให้แน่ใจว่าเส้นทางที่เดินเนี่ยมันไปถึงยอดเขาถ้าเราแน่ใจนะก็ลืมยอดเขาซะใจอยู่กับพื้นดินที่เหยียบแล้ะก้าไปทีละก้าวถ้าไม่หยุดถ้าเดินไม่หยุดนะถึงแน่งน่ายไหมนะ yeah. เราทำอะไรให้มันง่ายทุกวันนี้เราทําใหม้มันยากนะทําตรงนี้แต่เป็นนึกข้างหน้าแล้วนะเวลาเดินทางนะรถติดโดยตรงนี้แต่ใจไปอยู่ข้างหน้าแล้วเมื่อไหร่จะถึงนะจะผิดนัดหรือเปล่าจะไปงานสายไหมนะคนเราทุกเพราะใจมันไปอยู่นอนาคตบางคนบางที่ทํางานก็นถึงนี่ยังไม่ได้จ่ายสิ้นเดือนนี้นะ ยังไม่ได้จ่ายนี่สิ้นเดือนเครียดนี่ต้นเดือนหรือกลางเดือนนะไปคิดทําไมในปลายเดือนอะ่ะใช่ไหมทำตรงนี้ให้ดีคือว่าประหยัดเงินตรงนี้วันเนี้ยประหยัดเงินซะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนมีเงินจ่ายนะมันมีเรื่องเล่านะมีคนถามหลวงหลวงพ่อพยองว่าวัดฝนแก้วเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยกู้เงินมาหลายสิบล้านเนี่ย เงินจ่ายไม่หมดเลยกลุ้มไหมเครียดไหมผมเข้าใจว่าจะเครียดทำไมโยมไอคนที่น่าจะเครียดมากกว่าคือเจ้าของเงินนะ ว, ว่าอาตมาจะมีเงินจ่ายก็รอเปล่านะอาตมาไม่เครียดหรอก mm. ไม่ใช่ว่าจะเบี้ยวนะแกไม่เบี้ยวแต่ว่า mm. มีก็จ่ายมีมากก็จ่ายมากมีน้อยก็จ่ายน้อยแต่ไม่แบกไง หลายคนเนี่ยทํางานไปก็แบกหนี้ไปใช่ไหมแบกทาไมมันไม่ใช่เวลนไที่ต้องแบกพูดไปมื่อเช้าแล้ยนะว่าทุกเพราะแบกใช่ไหมหินเนี่ยถ้าเราไม่แบกมันก็ไม่หนักนี่หรือปัญหาเนี่ยนะมันก็คือเหมือนกนก้อ น, น, นหินไม่ใช่ว่าเราเบี้ยวจะไม่จ่ายนะเราก็วางแผนว่าเราจะจ่ายยังไงแต่ว่าวันเราว า, วางแผนเสร็จเรากําหนดไว้แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเก็บเงินให้ได้สักร้อยนึ่งอ่า เราก็พยายามทําใจเราอยู่กับปัจจุบันและทําไม่ได้อย่างที่ต้องอย่างที่ตั้งใจไว้ร้อยหนึ่งอ่าพอถึงสิ้นเดือนก็สามพันละนะเนี่ยถ้าเราจะอยู่กับปัจจุบันนะเราจะมีความสุขง่ายๆทางานก็มีความสุขไม่เครียดใจอยู่กับปัจจุบัน่หมายถึงว่าไม่ไปเปรียบเทียบไม่มองไม่ไปมองคนนั้นคนนี้หลายคนมีความทุกข์เพราะไปมองคนนั้นคนนี้ เขาทำงานน้อยกว่าเรานะเขาได้งานเบาวกว่าเราเขาเบี้ยวไม่ไทำงานนะปล่อยให้เราทำคนเดียวบางทีก็มองเจ้านายไม่เป็นทัรที่แบบนี้เครียดทุกมองไม่เป็นมีเด็กคนหนึ่งนะอะ่เขาได้เชฟออกรายการพลเมืองเด็กของที s นะหลายปีก่อน เป็นรายการมีทุกทิศนะเอาเด็กเนี่ยมาทำกิจกรรมเด็กปดขวบถึสิบสาขวดเขาจะศึกษาเด็กเขาแก้ปัญหาอย่างไงร่วมมือกันทางานอย่างไงบางทีก็เอาไปให้ไปเลี้ยงม้าบางทีก็ทำความสะอาดโรงเรียนมีคราวหนึ่งนะเอาเด็กสามคนอย่างอีสบสามเนี่ยให้ช่วยกันขนของขึ้นรถไฟบังเอินบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจองจองหาขึ้นชวจับสมจิตนะสมจิต้วนะ ยังไม่ลืมใช่ไหมสมจิตตงจงเจ้หอมีการถ่ายทอดสดเดี๋ยวผู้ชายสองคนเนี่ยก็เลยแว บ, บไปแทนที่จะขนของนะแวบบไปดูดูชกมวยปล่อยให้ผู้หญิงทำงานคนเดียวเด็กผู้หญิงนี่ก็ดีนะแกก็ทางานแก่ขนของคนเดียวพิธีกรก็เลยไปถามว่าหนูคิดยังไงที่เพื่อนเขาแว บ, บไปดูสมจิตชก แกก็บอกว่าเขาเป็นแานสมจิตนะนานๆจะได้ดูสมจิตขึ้นชกนะแต่หนูเนี่ยนะไม่ใช่แานสมจิตไม่สนใจนะหนูก็เลยทํางานงหนูไปพิธีกรยังไม่พอใจคําตอบก็เลยถามจี้มันเนี่ยแล้วหนูไม่คิดจะรู้ไม่โกรธหรือไม่ที่จะด่าว่าเขาเหรอที่เ้าทิ้งงานหนูทําคนเดียวเด็กตอบนีนะบอกเด็กตอบว่าหนูคนของเครไฟเนี่ยหนูก็เหนื่อยอย่างเดียว แต่ถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อย2องย่างเป็นเราเราจะเหนื่อยกี่อย่างนะเหนื่อยกายขนของรถไฟเหนื่อยใจพอด่าเพราะว่ามึงเอาเปรียบกูมึงนะมึงเลียวกูเนี่ยเป็นอย่างนี้บางหรือเปล่านะนี่หม้าทำร้ายตัวเองระหว่างเหนื่อยสองระหว่างเหนื่อยอย่างเดียวกับเหนื่อยอย่างนี้อะไรดีกวกันอย่เดียวที่เขาใช แล้ว่าเราเหนื่อยสองอย่างนี่คือเรากำลังซ้ําเติมตัวเองเนะเวลาเราดา่าเราโกรธไปว่าคนนี่นะใครทุกข์เราทุกข์เขาไม่รู้เรื่องนี่หรอกเขาดูมวยเพลินเลยแต่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไปด่าว่าเขาโอเคสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ถูกเดี๋ยสองคนนั้นนะเสร็จงานต้องมาคุยกันแต่ลองที่เราทํางานนี่นะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไม่รักตัวเองนะเราก็จะซ้ําเติมตัวเองเหนื่อยสองอย่าง คนเราไม่อยาซ้ําเติมตัวอจะไม่รู้ตัวนะเหนื่อยเหนื่อยอย่างเดียวนี่ก็มันก็พอแรงอยู่แล้วทําไมต้องเหนื่อยสองอย่างเด็กคนนี้ก็ฉลาดนะเขารู้เลยว่าถ้าเขาไปด่าว่าใครเนี่ยเขาจะทุกเองเขามองตนเขามองใจตัวเองเขารู้เขาเลยไม่คิดจะไปโกรธไม่คิดจะไปว่าใครทําของเขาไปเรื่อ ย, อยนี่เด็กสิบสามขวบนะ <c oughs> คนเราเนี่ยชอบซ้ําเติมตัวอจะไม่รู้ตัว เวลาเงินหายแทนที่จะหายแต่เงินเสียแต่งเงินปล่อยใจให้เสียเราจะคิดถึงเงินก้อนนะั้นเป็นเงใจเสียใจเสียไม่พอนะกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพเสียมีครูคนหนึ่งนะบนกงงไปแสนหนึง่งโอ้โหแกใจแกเสียใจมากแทนใจแกไม่ยอมกินไม่ยอมนอนไม่ยอมพักผ่อน แม่ก็บอกว่ากินเถอะพักผ่อนแกไม่ยอมอันนี้แซงก็ไม่รู้แซงว่ารักเงินมากกว่ารักตัวเองคนเราไม่บอกว่าเรารักตัวเองนะแต่จริงๆพองเงินหายเนี่ยเรารักเงินมากกว่าเรายอมที่จะจไม่กินไม่นอนนะทรมานตนวันนี้จนะต้องอใจเสียนะสุขภาพเสียแล้วนะงานก็เสียไม่มีกิกระจายทำ ง, งานนะโกงเงินไปไหนะไมก่กระจายท ง, งาน แล้วต่อไปนะอาจจะเสียสัมพันธภาพเสียเพื่อนเพราะว่าพออารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่จอยมีเพื่อนมาหยอกมาลอก็แต่การเราก็หยอกลอกก็ปกติแต่เวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราก็ด่าเขาก็เสียเพื่อนอมจะมาพูดอย่างนี้นะมีคนถามว่าเสียหมาด้วยเสียหมายังไงเมื่อทั้งสามสี่เดือนก่อนนะ มันมีคลิปวิดีโอประเทศจีนถ่ายในห้องสัพซาาสับสินค้าเขาบรรยายว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะอยากจะได้ไอ o n น6ก็ไปขอให้รบเร้าผู้ชายเนี่ยที่ไปเที่ยวด้วยกันไม่รู้เป็นแฟนหรือเป็นผัวนะให้ซื้อผู้ชายไม่ซื้อให้แกก็รบเร้านะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็โมโห แล้วประชดนะะเอาชนะให้ได้นะแกก็เริ่มถอดเสื้อเสื้ อ, อยืดแล้วก็ถอดกางเกงผู้ชายไม่สนใจแกถอดยกทรงผู้ชายนิ่งแกถอดกางเกงลื่นกางเกงในแล้วก็อยู่งั้นนะเมื่อไหร่จะท้าผู้ชายอบอายผู้ชายก็ไม่สนใจนใจแข็งมาผู้ชายก็เดินนีผู้หญิก็เดินตามจนกระทั่งมีอาชินที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ย ดีเสื้อดีกางเกงเนี่ยก็ให้วิ่งเนี่ยได้สตินะได้สติเอาเสื้อมาใส่เอากางเกงมาใส่ไม่รู้นะว่าเขาขายเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วอย่างเงี้ยเรียกเสียหมาไงคือนอกจากไม่ได้ไอโฟนนะยังเสียภาพรักษณ์นะนี่ภาษาชุมานเรียกเสียหมาไงนะเนี่ ย, เ, ยเราซ้ําเติมตัวเองโดไม่รู้ตัวใช่ไหม คนเราเนี่ยพอเราพอเราพอเร า, พอเราไม่มีสตินะมันทําร้ายตัวเองมีผู้ชายคนหนึ่งถูกโกงเงินไปเป็นแสนถูกเพื่อนโกงไปแคสไปซื้อปืนมาจะไปยิงแต่ก่อนที่จะไปยิงเพื่อนก็ผ่านผ่านผู้ใหญ่ผ่านบ้านผู้ใหญ่คนนึงก็ไปเล่าให้ฟังผู้ใหญ่ก็พูดให้คิดว่าเนี่ยคุณนี่แปลกนะ เสียเงินไม่พอนะอยางจะเดินเข้าคุกอีกคนส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่ยอมเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านเพื่อจะออกจากคุกไอ้คนนี้เดินเข้าคุกเนี่ยเสียเงินได้เดินเข้าคุกอีกนะได้คิดเลยไอ้นี่กูโง่หรือสลาดเนี่ยใช่ไม่มเสียเงินเป็นแสนแล้วเนี่ยแล้วยังเดินเข้าคุกอีกนะนี่เรียกว่าทําร้ายตัวเองพ่อไม่มีสติ และเราทำร้ายตัวเราบ่อยๆอยเวลาเราทำงานนะ่ะแทนที่จะเหนื่อยยาเดี๋ยวก็เหนื่อยสอยงยาถ้ามีสตินะเออเราจะฉลาดเหมือนเด็กคนเนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ถ้าจะเหนื่อยขอเหนื่อยอย่างเดียวถ้าจะเสียขอเสียอย่างเดียวคือเสียเงินแต่รักษาใจไม่เสียสุขภาพไม่เสียงานไม่เสียเพื่อนไม่เสียก็ เอาท้ี่ก่อนมีอะไรสงสัยไหมมีใครมีคำถามไหมเกี่ยวกับารปฏิบัติก็ได้เกี่ยวงานการก็ได้เกี่ยวชีวิตก็ได้ เพาว่าคิดตา ม, มค่ะสิะ่งไหนไม่ได้ก็จะเอาไปปรัต้องรู้จักมองนะคนเราเนี่ยมีอันหนึ่งที่ที่ที่คนเราไม่เป็นก็คือมองชอบมองลบมากกว่ามองบวกคนเราถ้ามองลบนะได้เท่าไหร่ก็ทุกเพื่อจะมาเนี่ยเป็น <c oughs> เป็นนักเล่นหุ้นแต่ก่อนนะเล่นหุ้นเนี่ยคือเล่นเป็นอาชีพ ไปตลาดหุ้นทุกวันหรือว่าบ่อยๆวันหนึ่งก็ไปเจอคุณป้าคนหนึ่งคุณป้าคนนี้แกก็เป็นคนที่ชอบเล่นหุ้นเหมือนกันไปตลาดหุ้นทุกวันคุยไปคุยมาคุณป้าบอกว่าสองสามวันก่อนขายหุ้นไปตัวหนึ่งได้กำไรสิบล้านบาทนี่เมื่อสิบปีที่แล้วนะหสิบล้านบาทนี่มันลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกี่ใบนะโหเพื่อนมาบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายวันเนี้ย ฉันได้กำไรแล้วยี่สิบล้านคุณป้าได้สิบล้านคุณป้าไม่มีความสุขนะข้ออะไรเพราะแกไม่คิดว่าแกได้สิบล้านแกคิดว่าแกเสียสิบล้านเห็นไหมเออเนี่ยคือมองลอบงลแทนที่จะมองว่าฉันได้สิบล้านจะมองฉันเสียสิบล้านจะทุกข์นี่ไม่จบนะวันรุ่งขึ้นคุณป้าก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเ<ม>พื่อนจะมาก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งถามว่าคือแกเป็นแกเป็นลูกค้าของมาร์เก็ตติ้งเนี่ย ไอคุณป้าเนี่ยทําไมคุณป้าไม่มาหายไปไหนมันก็ติดตอบว่าคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้วรู้เข้าโรงพยาบาลเท่ า, าไรเพราะเครียดที่ได้แค่สิบล้านคาใครๆทุกคนนี่ที่ว่าอยากจะได้โชคใช่ไหมทุกคนเนี่ ย, ว ย, น เ, นยเวลาที่ถานอยากได้โชคพอได้โชคมาแล้วเป็นยางถ้าวางใจไม่เป็นนะทุกเพราะมองลบได้สิบล้านก็มองว่าฉันเสียสิบล้าน ใช่ไม่มอีกคนนึงนะซิโก้ซิโกโ้โกโรูจร้จักก่ะก่อนที่เขาเป็นโค้ชทีมชาติเขาเป็นกับการทีมชาติแล้วเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ตอนหลังเขาไปเล่นบอลอาชีพที่สิงคโปร์เวียดนามแล้วก็มาเลส่วนใหญ่ได้แชมป์หมดเลยสโมสรเขาอะสโมสรอังกฤษก็เลยซื้อตัวเข้าไปเป็นข่าวใหญ่เมื่อ 17-18 ปีก่อนโอ้ยคนไทยได้ไปแข่งนะสโมสร อ, อังกฤษนะสมัยนั้นเลสเตอร์คนไทยไม่จักนะคนไทยก็รอว่าเมื่อไหร่ซิกโก้จะได้ลงสนามซิกโก้ก็เป็นความก็หวังเหมือนกันว่าจะได้ลงสนามแต่จนล่าจนรอดเนี่ยก็ไม่เคยได้ลงสนามเลยได้แต่นั่งข้างสนามเป็นตัวสำรองตลอดฤดูการ ที่โก้เครียดที่โก้ทุกมากเลยรู้สึกว่าการแปลครั้งนั้นเนี่ยล้มเหลวเสียเวลาใครถามไม่อยากพูดถึงแต่ผ่านไปไม่กี่ปีมีคนถามเรื่องเนี้ที่โก้ยิ้มก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยแต่ผมมองไม่ออกผมมองไม่เป็นมองไม่เป็นยังไงก็บอกไปอังกฤษครั้งนั้นเนี่ยมีแต่ได้กับได้ได้บ้านได้รถ ได้ได้พัฒนาทักษะนะได้ได้เจอคนมากมายนะแล้วก็ได้เดินทางท่องเที่ยวนะได้เจอเห็นมุมมองใหม่ๆแล้วก็ได้สัมผัสเดกที่มีความสามากที่สุดร่างกายก็ได้พัฒนาด้วยได้ทั้งแปดอย่างเสียงเดียวคือไม่ได้เล่นแต่ตอนนั้นเห็นแต่เสียก็เลยทุกย นะพอกลับมาเนี่ยโ อ, อ้โหเราได้ทั้งเยอะทั้งหวาได้บ้านได้รถได้พัฒนาร่างกายได้พัฒนาทักษะได้เยอะแยะเข้าใจไหมลบเนี่ยมองลบคือยังไง น, นนะทำงานต้องมองบวกนะไม่ใช่ทำงานเดียวใช้ชีวิตมีชีวิตก็ตอมองบวกด้วยนะเนะจ็บป่วยมองบวกยังไง เงินหายมองบุญยังไงหายพันบาทมองบุญนี่มองอยังไงเงิ <c oughs> นหายดีกว่าหายที่หลายกว่าพันบาทเออ <c oughs> ดีกว่าหายหมื่นบาท <c oughs> เงินหายดีกว่ารถหายนะหรือว่าปวดหัวเป็นหวัดนี่กัเป็นมะเร็งแต่มีคนหนึ่งนะ เป็นเด็กนะที่ภาคใต้เนี่ย2ี่สิบสี่อัตมาพาจินาสาไปเยี่ยมเจ้าสาเนี่เจอเด็กคนเนี้แตกใจเพราะเด็กล่าเริงรอะที่ผมย่วงหมดเลยเธอเป็นมะเร็งสมองคุยไปคุณมาเด็กบอกว่าหนูโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมืลูก มีย่างถเป็นมะเร็งมัวลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองขนาดเป็นมะเร็งสมองเป็นมะเร็งสมองเนี่ยังมองว่าเป็นโชคดีแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยโชคดีไหมโชคดีใช่ไหมแต่มางคนโอูทําไมฉันเกิดมาจนทําไมฉันงานได้ได้งานน้อยทําไมอไม่มีรถไม่มีบ้านเหมือนเขาเราโชคดีทั้งนั้นนะเนี่ยมองให้เป็นนะนะเห็นโชค เนะพราะฉันเนี่ยนะเวลาทำงานถ้ามองเป็นนะมีความสุขได้ง่ายอยู่ก็อยู่มีความสุขนะใครมาด่าว่าเราเออโชคดีนะที่เขาทำได้แค่นั้นเขาไม่มาทำร้ายเราในสมัยพุทธกาลมีพระลูกเงนนะชื่อพระปรกุลนะมาทูลาพระเจ้า จะกลับไปมนสุสนาปันตะพุจจาก็ถามพระปุณาว่าคนสนาปันตะที่กดดันถ้าเขาด่าว่าท่านเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรพระกุณณ์ตอบว่าเขาด่าว่าก็ดีที่เขาไม่ทุบตีแล้วถ้าเขาทุบตีท่านนะ่ะเขาทุบตีก็ดีกว่าเขาเอาก้อนมาคว้างแล้วถ้าเอาเห้อนมาคว้างนะ่ะ เ, เอาก้อนมาคว้างก็ดีกว่า เขาเอาไม้มาฟาดแล้วถ้าเขามาฟาดอ่ะเขาไม้มาฟาดก็ดีที่เขาไม่เอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าของแหลมมาแทงอ่ะก็ดีที่เขาไม่ค่ายตายพระเจ้าเลยถามไปว่าต่อไปว่าเนี่ยําทางสุดท้ายถ้าเขาฆ่าท่ให้ตายท่านจะว่าอย่างไรพระบุ้ดาตอบว่าคนบางคนอยากจะตายก็ต้องไปหามี้หรือไปจ้างคนมานี่ถ้าเป็นอย่างพระเจ้าว่าเนี่ย ก็ดีเหมือนกันคือไม่เหนื่อย<ม>คือพระกุฎน้าเนี่ยมองทุกอย่างดีไปหมดเลย<ม>ดีที่ไม่แย่ไปกว่านั้น<ม>ใช่ไหมแล้วเนี่ย<ม>เก็บเอาไปเอาไปเอาไปพิจารณานะเอาละถ้าไม่มีคำถามก็เอาเท่า น, นี้แหละนะยุติเท่า น, นี้<ม>เลยพอน